เรื่องเบสันดอนชาดงนี่ที่น่าสนใจก็คือว่ามีหลักฐานที่เป็นคำภีที่ในระดับชั้นนดีกาใช่มซึ่งพระสุริมคราจารย์ซึ่งเป็นชาวเหนือเนี่ยนะเป็นชาวล้านานานเนี่ยเป็นผู้ที่ที่ที่เขียนไว้นะเพราะฉะนั้นเราในฐานะที่เป็น ชาวล้านนาเนี่ยแต่ผมเป็นชาวล้านนาปลอมนีก็น่าจะภาคภูมิใจแล้วอยากน่าจะฟังนะผลงานของบรรพบุรุษของท่านทั้งหลายเนี่ยนะซึ่งเป็นผู้ที่ปราดเปรืองมากผู้ที่จะแต่งดีกาได้นี้ไม่ใช่ธรรมดานะต้องปราดเปรืองทั้งอัตถกถาด้วยทั้งปัตตปีดกด้วยเพราะฉะนั้นก็เป็นเป็ น, ปนอาจารย์ในระดับยุคกันนะไม่ใช่ไม่ใช่ยุคร้อยปีนะยุคหลายร้อยปีนะอย่างพระสีมังคลาจารย์เนี่ยนะ เมื่อหลายร้อยปีที่แล้วหลายร้อยปีจึงมีสักโป่งหนึ่งนี่เพราะฉะนั้นนี่น่าน่ า, น, าน่าฟังมากครับก็คือที่จ ะ, ะ, สะแสดงนั้นเป็นการสแสดงแบบคือประยุกต์เอาหลายๆคมภีมาผนวกกันเข้าแล้วก็มาเดินเรื่องเช่นเหตุผลในหลายเรื่องที่เราควรจะรับทราบไว้ว่าทําไมท่านต้องบริจาคลูกทําไมท่านต้องบริจาคพัญญาอะไรเงี้ยซึ่งความรู้ความเข้าใจเหล่านี้เราก็ควรที่จะมีเอาไว้ เพราะว่าไม่ใช่อะไรเพราะว่าบางทีเราอาจเกิดไปจ่วงจาบแม้แต่คําเดียวก็ถือว่ามีโทษนั่นแหละคือเราอาจจะไม่รู้เหตุผลของท่านะนะั่นแะแม้กระทั่งสมัยพระเจ้ามิลินเองอะ่ะเขาเรียกว่าอาติทานคือคล้ายตาหนิพระเวสสันดรว่านี่มันอติทานแปลว่าเป็นทานอันทานยิ่งะนะโดยสัพ์แปลว่ายิ่งแต่แปลแบบไ ท, ทยๆก็บอกให้ทานเกินไปนี่นะบอกให้เกินไปว่างั้นเถอะ เสร็จแล้วก็ก็จะมีคําแก้ว่าทําไมท่านจึงต้องทําแบบนั้นก็จะมีเหตุผลทั้งหมดเนี่ยนะเพราะนั้นพระเวสสันดรเราก็แต่ไม่ได้มาเทศแหละนะเพราะมาแหลก็ไม่เป็นเลย <c oughs> เป็นกลา่าวเป็นโครงเป็นกรอน ก, รก็ไม่เป็นเห็นไหมเก็บบางเรื่องเช่นมัวแต่ท่านชื่นพรรณน า, นาต้นไม้ใบหญ้ามากเราก็อาจจะเอาต้นแรกกับต้นสุดท้ายก็พ อ, อยนัน ถ้าหากว่าท่านบอกโอ้โหสระน้ำเนี่สวยมากเราก็อาจจะบอกเอ้สระน้ำผู้การก็น่าดูไปดูสระผู้การแทนกันแล้วกันอย่างงี้ยถ้าปลาสลิตปลาอะไรเยอะก็ไปดูสระน้ําวัดุโม ง, งก็คล้ายๆกันนะก็อาจจะรวบลัดไปบ้างในส่วนที่ที่เป็นการชื่นชมต้นไม้ใบหญ้าทั่วๆไปแต่ก็ที่จะเน้นหนักก็คือพวกขยายเหตุผลต่างๆเนี่ย ธามชารนามกัจฉามีธามมรกัจฉามสังรกัจฉาม เทียนนิมีอาจูฟ่ย